Namo dasa, <tries> pakavato, arahato, sammasambutthasa. Namo dasa, pakavato, arahato, sammasambutthasa. Namo dasa, pakavato, arahato, sammasambutthasa. Thetเลย l'ah. Aho na, tăng jai fang tham. Aho ฟังธรรมนะธรรมะธรรมะเป็นธรรมของ ภัมะ, ธรรมและวินัยนะวันเนี้ยเป็นวันครบรอบ ได้อาศัยใบบุญของท่านต้นสกุลแท้ๆคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเวลาสร้างสมุนัติกิจการมาเห็นมั้ยเนี่ยธรรมวินัยนี่เป็น เนี่ยเวลาจิตสงบเข้าไปเนี่ยไปเห็นกาเห็นตั้งแต่พอถึงแล้วมันเป็นทางตันหมดทางตันหมดเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยเนี่ยพุทธเนี่ยเพราะโพธิสัตว์สิ่งที่เป็นพุทธวิสัยเมื่อมันขวางกันดู กึ้งพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกคนนึงมั้ยมันจะเจริญที่ไหนมันจะเจริญที่ไหนเห็นมั้ย ลุงปุรีเนี่ยของปุสกุลสำรองเห็นมั้ยเนี่ยรับรับรับธรรมวินัยต่อต่อกันมารับมาที่ไหนรับมาในหัวใจไงรับมาในหัวใจผ้าหัวใจเป็นหลักแล้วเนี่ยวางธรรมวินัยเนี่ยเราได้ได้ได้ลมได้ความลมเย็นเป็นสุขจากทําจากทํา ในึกถึงคุณของเราเห็นมั้ยเราทําเราทําความดีขนาดไหนดูสิเวลาเราสร้างคุณงามความดีเห็นมั้ยกับเพื่อโลกเพื่อโลกเนี่ยเราสละทางขึ้นไปเนี่ยเพื่อเพื่อสังคมไม่มีความล่มเย็นเป็นสุขแต่ไอ้ผู้ที่สละเป็นผู้ได้นะหัวใจเป็นผู้ที่เสียสละหัวใจเราเสียสละออกไปน่ะเนี่ยเสียสละสิ่ง สิ่งที่เป็นธรรมเห็นมั้ยใจที่เป็นธรรมเป็นใจสาธารณะใจสาธารณะเนี่ยฝ่าที่ชาตินึงเลยชาติชาติที่จิต 9 เดือนเพราะ 9 เดือนพอ จิตที่ปฏิสนธิเนี่ยเนี่ยตัวเกิดตัวนั้นน่ะมันไปเกิดในครรของมารดาแล้วมันมันเจริญงอกมันเจริญออกเจริญไว มันจะอยู่อยู่อยู่ธรรมชาติของมันไม่ได้ถ้ามันยังมีกิเลส อย่างหนึ่งคือสิ่งที่สิ่งสิ่งที่เป็นอํานาจวาสนาบารมีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยมัน มันกระทําไปเห็นมั้ยดูสิดูทั้งวิทยาศาสตร์ที่เค้าเค้าพิสูจน์ทั้งทางวิทยาศาสตร์กัน หัวใจที่มีจุดยืนมันจะ วิกฤตในหัวใจนะในปัจจุบันเนี่ยมันวิกฤตรอบข้างแดดออกเนี่ยมันเป็นความร้อนมันเป็นความชื้นเป็นความเป็นความเฉอะแฉะเราไม่ เขาว่าวิกฤตที่มันเกิดจากใจที่เกิดจากการเพาะนาเป็นอัตตะกิเลสมาฐานโยกไม่ต้องไปทํามันหรอกปฏิเสธมันเฉยๆก็เป็นเป็นนิพพานแล้วปฏิเสธสิ่งนี้ โดยธรรมดาเนี่ยเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมันถ้ามันมีสติควบคุมของมัน ศีลจะควบคุมมันได้ด้วยความจริงจังของเรานะถ้ามีสติสัมมาชัญญะเนี่ย การปลูกฝังของโลกเห็นมั้ยการปลูกฝังของโลกให้ศาสนามันมั่นคงศาสนาของเราเนี่ยมั่นคงไม่มั่นคงเพราะเพราะเราเราไปไปไปเอากิเลสไปตี สิ่งที่เด็กแม้ฝึกหัดเข้าไปเนี่ยมันเข้าไป มันไม่มีการกระทํามันไม่มีหัวใจเห็นมั้ยในปัจจุบันเนี่ยนัก คอมพิวเตอร์น่ะเดี๋ยวเนี่ยก็สร้างสร้างสถานการณ์ ทำการวิจัยขึ้นมาก็เป็นประโยชน์กับโลกเป็นกับโยมใช่มั้ยดูสิสิ่งที่สอยนะคนทั้งโลก กิเลสมันไม่เข้ามาหรอกเพราะมันเป็นเป็นปัญญาที่มันเอาสิ่งนั้นไปอาวุธใช้งานอ่ะปล่อย <c oughs> มันเป็นเรื่องโลกโลกหมดนะเนี่ยโลกคิดกันอย่างนั้น เป็นเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นเป็นผู้บึกอยู่เปเปเป 6 ปีเนี่ยท่านจะอุปถากอยู่สุดท้ายแล้วน่ะเป็น ในเราก็คือคือคือร่างกายคือมันเข้าไม่ถึงใจเพราะกําใจเนี่ยทําตรงถึงสุดถึง <alright. S 1> <master> ถึงซึ่งขันธนิพพานขันเป็นเศษส่วนสะอนุปเสสนิพพานไงแล้วเนี่ยเป็นพิษ ท่านมีความสําคัญอยู่ 2 หนในศาสนานี้หนหนึ่งของนางสุชาดาเราฉันอาหารของนางสุชาดาแล้วถึงซึ่งติเลทนิพพานเราฉันอาหารของนายจุนทะถึงซึ่งขันธนิพพานเห็นมั้ยเนี่ย อาปานสติที่ที่คนต้นว่าที่ที่ที่ตอนเป็นเป็นราชกุมารเคยได้นึกถึงเห็นมั้ยเนี่ยอาปานสติน่ะมันเป็นลมลมหายใจจิตมันเกาะอยู่ที่ลมหายใจอาปานสติลมมันเป็นอานปานสติเหรอถ้าลมมันเป็นอาปานสติเนี่ยพายุมันก็เป็นอาปานสติสิ่งที่ลมพัดลมเพลเนี่ยมันไปเป็นอาปานสติมันไม่เป็นหรอกอาปานสติมันจะเป็นต่อเมื่อ ลมข้างนอกมาเป็นลมแต่จิตที่มันไปเกาะเห็นมั้ยมันเกาะลมอยู่เห็นมั้ยแล้วมันสงบเข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวตนเนี่ยกรรมฐานพอเห็น ย้อนกลับขึ้นมานี่ปุธวิสัยนะแล้วเนี่ยคนอธิปปัจจุบันเนี่ยการในปฏิบัติเนี่ยพอใครไม่รู้อะไรเข้าน่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยนี่ยังไม่เข้าเลยเพราะมันมันมันมันเป็นมันเป็นเป็นปฐมยามมันไม่ใช่ไม่มันมันยังไม่ถึงไม่ แต่จิตเนี่ยเป็นธาตุลุธาตุที่เป็นสันตติมันเกิดดับเกิดดับมันไม่เคยตายแล้วมัน เนี่ยเนี่ยสิ่งนี้มันก็มันมันก็เป็น 3 ของถ้ากรรมฐานที่นี่เห็นมั้ยมันเข้ามันมี สาธนาให้ปัญญามันเป็นภาวนามัญญปัญญาภาวนามัญญปัญญามันเกิดจากจิตเนี่ยสงบจิต เขาถอดจิตเขาบอกว่าถอดเหมือนเปลือกกล้วยเลยถอดเนี่ยเหมือนแต่ในเมื่อสภาวะที่มันเกิดมาจิตเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยด้วยบุญกรรมเห็นมั้ยมันเกิดมาเนี่ยเนี่ย เนี่ยการเวียนตายมันเกิดในฐานของมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเห็นคณะที่เราศึกษาเนี่ยเราศึกษาขึ้นมาศึกษาคณะไหนอวิชชาสิ่งที่เป็นในวิชาน่ะไม่เข้าใจมันก็ต้องมันก็มันก็ต้องมีแรง เราผ่านไปธนาคารชาติเงินกี่แสนล้านในการใช้ก็เป็นของใครมาเป็นสาธารณะนะธรรมขององค์ คิดแล้วมันมันมันมันรู้สึกตัวมันเองแต่ถ้าคิดแล้วมันเฉยๆคิดแล้วเนี่ยว่างๆว้างๆเพราะมันขาดสติเราไม่เราไม่มีสติตามความคิดไปถ้ามีสติตามความคิดไปเนี่ยความคิดมันหยุดได้มันเป็นธรรมชาติของมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเพราะกิเลสของเราเนี่ยมันไปยึดเนี่ยถ้ามันไม่ธรรมดาทุกทําไมถ้ามันเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกแล้วโกรธทําไมถ้าเป็นธรรมดาขึ้นมาเนี่ย เนี่ยบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีทําลังก็ไม่มีความสุขหมดก็ปฏิเสธมันส้มเปลือกส้ม มันเกิดดับมันเกิดดับมาลอยๆไม่ได้หรอกมันต้องมีที่มาที่ไปสุขสิ่งจับสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรลอยมาจากฟ้า พุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปเนี่ยมีมีคําๆมันคิดแล้วให้แต่ พุทโธพุทโธมันคือวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ก็ความคิดมนุษย์ความ แต่สิ่งที่มันมันเป็นตัวทุบอ่ะมันไม่เคยเห็นมันเลยไม่เห็นอริยสัจไงไม่เห็นอริยสัจเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักจิตไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักกรรมฐานไม่มีสกุล พื้นฐานพระองค์ 6 ปีไปเรียนกับอานาปานสติเห็นมั้ยเนี่ยเข้าสมาบัติ จิตมาสุภเข้ามาเนี่ยมันรู้นอกรู้ในรู้นอกคือเห็นรู้แล้วเห็นเห็นเห็นสิ่งต่าง เดี๋ยวนี้นะสิ่งที่เป็นสีมิสิ่งที่เป็นเป็นเป็นอภิญญาเนี่ยวิทยาศาสตร์เค้าพิสูจน์ได้หมดแล้วเหาขึ้นเดินฟ้าเนี่ยเนี่ยเหาขึ้นเดิน พ่อแม่เป็นประเทศอัน 38 38 ประการเกิดในประเทศอันสมควรเกิดจากท้องพ่อประเทศอันสมควรไงประเทศสมควรเกิดทางคนมีบุญมีบุญกุศลเกิดเกิดขึ้น มันเป็นมันเป็นมันมันเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงที่พากายพาเกิดนะเนี่ยสิ่งที่รู้นอกรู้นอกมันรู้ออกรู้ 4 เป็น เป็นญาติกันโดยธรรมน่ะเกิดเราเป็นญาติกันโดยสายเลือดคนเกิดมาในสายเลือดเห็นมะ <trabajo S 1> เกิดจากกรรมเห็นมั้ยสิ่งที่เกิดเนี่ยเนี่ยโลกอย่างนี้มันเกิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่โลกหิวเนี่ยเกิดประจําโลกหิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นยากันโดยธรรมแล้วยา มันเป็นความสยดสยองไม่เป็นการกระเทือนใจชั่ว ถ้ารู้นอกรู้นอกรู้สภาวะต่างๆรู้สิ่งต่างๆรู้นอกรู้นอกมันเหมือนกับเราดูดูทีวีน่ะเราไปดูต่างๆมันรู้ ฐานรู้ที่ใจกิเลสมันอยู่ที่ใจขณะที่กิเลสมันเป็นๆก็เป็น มันไม่ธรรมดาเพราะมันมีอุปทานสิ่งที่เป็นอุปทานในหัวใจเนี่ย โดยสัมมันสำนึกของคนเนี่ยร่างกายนี่ต้องเป็นเราแม้แต่สมบัติที่เราหามา จิตเกิด 16 ล้านคน 60 ล้านคนคนจิต 1 จิต 1 แล้วทําไมมันเพิ่มมามันมีมาจาก การเกิดเป็นมนุษย์เราจะเกิดมนุษย์ทุกๆชาติไป <gasmusi> <as> เวทจริงๆโอกาสตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ย 100 100 ปีไม่ถึง 100 ปีเราว่าอายุเรายืนกันมากนะอายุกันยืนมากแล้ว เราถึงยังมีชีวิตสืบต่อมาถ้ามีสืบต่อมาเนี่ยเนี่ยหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าหายใจทิ้ง มนุษย์สัมบัติเนี่ยเป็นเอ๊ะเฉพาะเพราะมนุษย์สัมบัติเนี่ยมีร่างกายบีบคั้น กิเลสทั้งนั้นกิเลสเนี่ยเพราะปัจจัยเครื่องอาศัยเนี่ยมันพออยู่พอกินนะเราแสวงเราหาได้แต่มันขี้เกียจมันอยากสะสมอยากจะเอาหันมาจ่อที่ปากตลอดเวลาเนี่ยถ้า เห็นนอกดูสิถ้าเห็นกายเนี่ยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาไปถ่ายถ่ายภาพกันภาพมัน โรงพิมพ์ที่เค้าพิมพ์พับอสุภะแล้วมาแจกกันน่ะโรงพิมพ์น่าจะเป็นปรหันเพราะเค้าแจกอสุภะกับชาวพุทธมันไม่ใช่อสุภะมันเกิดจาก แล้วมันใช้ปัญญาโดยเพาะพนามัญญปัญญาเพาะมนาปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาต่อเมื่อความสมดุลของมันจิตสมดุลน่ะจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตเป็น 3 คนเพราะทุกศาสนาว่าทำสมาธิสมาธิแต่มีมิจฉากับสัมมามิจฉาสมาธิมาเป็นสมาธิแล้วมันไม่มีการควบคุมสิ่งที่ควบ จับถ้ามันสงบเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สงบนะกินอาหารเมื่อกี้ รู้นอกคือรู้ด้วยอํานาจวาสนาคนเราเกิดมาเนี่ยมันอํานาจๆกันแม้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันอํานาจวาสนายังไม่เท่า คนที่เค้าเปิดเค้าประพฤติปฏิบัติแล้วมันง่ายมันสะดวกมันก็เป็นมัน คณะที่เป็นพระเวสสันดรคณะที่สละลูกสละเมียทําไมถึงต้องได้หวังโพธิญาณแล้วมาสืบต่อกันมายังไงความสืบต่อของจิต ธรรมะเท่านั้นแก้กิเลสได้วิทยาศาสตร์เป็นการเพื่อแสดงออกให้ธรรมะชัด 2 ประเภทประเภท 1 คือองค์สมเด็จ สาวกสามัคคะได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วยังเอาธรรมะมาเป็นอาวุธเอามาทําทําร้ายตัวเองทําร้ายว่าปฏิบัติปริญญา ทำ 100 ผลพันผลถ้าไม่เท่ากับทําสมาธิเกิดผล 1 สมาธิ 100 ผลพันผลไม่เกิดเข้าเกิดปัญญาผล 1 เอาอัลกรรม การทําภาวนาบัญญัติปัญญาคือการแก้กรรมการแก้กรรมคือการทําลายการทําลายเห็นมั้ยเวลาทําความสงบว่าปุถุชนปุถุชนเพราะเพราะ ความปรึกดวงใจถ้าเป็นเป็นเป็นเป็นปัญญาเป็นเป็นเจโตวิมุตติคือคือ ทุกยากเพื่อแสวงหาทุกยากเพื่อหามรรคผลนิพพานแต่การกระทําของที่ สัจธิภายในน่ะเนี่ยสิ่งที่การกระทําเนี่ยมันทํามันเกิดขึ้นมาจากใจถ้าทําจะเกิดขึ้นมาจากใจเนี่ย จะมีโรงพยาบาลไหนเค้าตัดดังแขนขาดหน่อยมันน่ะเนี่ยการสันทิธิโกดังแขนขัดมันตัดออกจาก สิ่งที่มีกรรมฐานจิตที่มันออกวิปัสสนาเห็นมะสิ่งที่เอาวิปัสสนาวาระมรรคสมัคคีมรรคสิ่งนี้เนี่ยสมาธิสัมมาสังคโปเนี่ยมักฟ้ํามีมักแปดเห็น มันเป็นเรื่องความธรรมนาที่เวลาเราปฏิบัติเป็นเราต้องฝึกงานความธรรมนาที่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยที่แสวงหาน่ะมันเหมือนคนฝึกงานมันต้อง 6 ปีนะ 6 ปีถ้าลอง 6 ปี 6 ปีๆทั้ง ในราชทิศต่างๆถึงบอกว่าเราเป็นชาวนะเรามีเรามีสกุลลุนชาตินะพระพุทธศาสนาเนี่ยสุดยอดๆทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้ว 40 ห้องวิธี 40 วิธี ก็ตัดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้รัดสิ่งนี้เราไปเชื่อสาวกนะสาวก ถ้าถ้าเราทําแล้วน่ะมันมีมันมันไปไม่ได้หรือมันไม่ตรงกับ สมาธิมันลงต่างๆกันไงคันนี้กะสมาธิอุปจยะสมาธิอัปปนาสมาธิความลึกตื้นหนาบางความอบอุ่นที่เค้าเป็นสิ่งที่การธุรกิจบริการ ฟันสุขของสมาธินะถ้าสมาธิไม่สุขทําไมผู้นิ่งอยู่นิ่งเนี่ยนิ่งอยู่เนี่ยมันหินทับ แล้วออกวิปัสสนาเห็นมะวิปัสสนาในอะไรในกายในเวทนาในจิตในธรรมทําไมไปไปไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่ออะไรเพราะเพราะกิเลสอ่ะกิเลสมัน สิ่งที่มันรักคือผูกความผูกพันของใจความผูกพันของใจมันรักตัวเองก่อนมันหลงๆคือ ถ้ามารักตัวมันเองเห็นมั้ยสิ่งที่รักตัวเองแล้วมันถึงเวลากิเลสมันยึดมั่นถือมั่นเพราะกิเลสมันยึดสิ่งนี้มาหลอกมา ตอบนี่พูดให้พูดพูดแม่พระไตรภพชีวิตนี่คืออะไรชีวิตนี่ ปัญญาที่ครูบาอาจารย์ลือคนขึ้นมาแล้วลือคนขึ้นมาแล้วเนี่ยเรา แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาด้วยการปฏิเสธมันเป็นธรรมดาด้วยด้วยเอาทับ แต่มันเกิดความความความความลังเลสงสัยมันเกิดความ มันเป็นนามธรรมนี่ไงศาสนาเนี่ยศาสนาพุทธเห็นมั้ยศาสนาแห่งปัญญามันเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันก็เอาแต่ถ้าไม่มีสติถ้ามีสติถ้ามีไม่มีสติมีสมาธิ กิเลสหยาบๆคือความเห็นหยาบๆความคิดหยาบๆที่เราว่า 2 จังหวะ 1 มันเวลามันเข้ามันละเอียดมันโลดโหสั้นเข้าไปฝั่งนั้นเพราะอะไรเพราะมันผ่านออกมาเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมามันถึงมันถึงเป็นปุถุชนกัลยาณ สิ่งที่สิ่งที่การกระทําเห็นมั้ยดูทางวิชาการดิสิ่งที่วิชาการเห็นมั้ยตัวแทนผู้พูดเป็นเป็นตัวแทนผู้ที่เป็นตัวจริงผู้ที่ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยมันมันผู้รับผิดชอบเป็น ละขันธ์ 5 เป็นสรบันเป็นเป็นอาขาขึ้นมาและละขันธ์ 5 ขึ้นมาเนี่ยอวิชชาสังขาระสังขารปัจจยวิญญานังวิญญาณในขันธ์ 5 กับวิญญาณในสติสัมปบาทมันก็ไม่ใช่อันเดียวกันวิญญาณในขันธ์ 5 คือวิญญาณรับรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณรับรู้จากโสตวิญญาณฆานะวิญญาณแต่อวิชชาสังขาระสังขารปัจจยวิญญานังวิญญาณปฏิสนธิเนี่ยวิญญาณ ท่าน们ทุกใจถ้าวิญญาณเป็นตัวใจมันจะละละออกจากใจได้ยังไงอวิชชาไปละ ไม่ใช่ธรรมของตัวเนี่ยว่าธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมะเป็น ถ้าจิตใจเราไม่เป็นธรรมเรามองสิ่งที่เป็นศาสดาธรรมะศาสนะมันก็แล้วการการการพูดอย่างนึงเพราะอะไรเพราะรักษาสถานะของตัวแต่ แต่อย่างงี้ก็มาเนี่ยสิ่งที่ใจมันเป็นธรรมมันมองเห็นสภาวะต่างๆเนี่ยเป็นธรรมแล้วเสถือนใจเนี่ยธรรมมาสังเวชเห็นสิ่ง แต่ถ้าเป็นธรรมมันใจเป็นธรรมมันมันมันเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกันมัน วัตถุมันไม่เคยทําร้ายใครเลยมนุษย์ไปจับมันมาตั้งเรียงขึ้นมาให้เป็นให้ให้ <_ c oughs> ไม่เป็นหรอกไม่เป็นมันเป็นธรรมศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาเจ้าที่มีอยู่แล้วไงเวลาศึกษาเนี่ยปรมัตถธรรมน่ะใช่ปรมัตถธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กิเลสของ ถ้าถ้าเป็นเพียงสติเห็นมั้ยเราเราจะรู้ทันความหูตาจมูกลิ้นกายใจเราเราเห็นเรือนยอดของเจ้าแล้วเจ้าจะเกิดใหม่ แล้วองค์สมเด็จสัมมาเจ้าไปฆ่าทิ้งหมดแล้วน่ะมารเอ้ยเธอ กับจับจิตกับสติกับจิตสติกับกับสิ่งที่เป็นเป็นอันเป็นอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะมัน สติมันอยู่อีกทวีปหนึ่งเราอยู่ทวีปหนึ่งต้องสติของเรามันถึงจะสร้างสมสติกรรมฐานสกุลของกรรมฐานเรา ก็เดินตามธรรมนัยบทบัดธรรมสมควรแก่ธรรมเนาะเนี่ยไม่ใน 100 100, 100, 100 เรา, เท, เท 1 วัน 1 วันแล้วละภิสุทธิ์กันดูทําไมทําไมทําไมวันมันอยู่ 7 วันน่ะชีวิตนึงมัน แล้วโอกาสของคนมันก็มีแต่ว่าถ้าถ้า Vèlament men pegar el laborat, men esciol会 caminnen. Pero cuando se voloro, se karaoke, se夏 al lado. Me signalination también sí es goodbye. El mismo tipo necesito. Sab ratitanzo, pero no sé el wijero. during the lo que se vol hasn pasado, no sé. Tenés parte desde dónde, desde el jardín, desde la suelt concentración. friendgelization y desde el ser watershob��, deben ir con el concentración. V thế el est pięcipro. G pounds, de אק生, de surot, Fine casa vida devenia pensás rar... en fin, la clairement inseguridad, no se sabe. Ataux fue la perhapsación y la inson�� de componentes. Eres traduers, perkus96 y los profesor istufupt, อยู่ที่ใจผู้ใดปฏิปฏิดูแลใจของของตัวก็เท่ากับอุปถัมภ์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะถักอุปถัมภ์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เพราะหลานในบ้านพ่อแม่ของเราเป็นพระอรหันต์พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะพ่อแม่เนี่ยเนี่ยเลี้ยงลูกมาด้วย เทวราอินทร์พรหมหรือในวัฏฏะหลอกไม่ได้หรอกใจของมนุษย์เหมือนกระดาษขาวเขียนตัวอักษรลงไปจะเห็น หลวงปู่มั่นอยู่ในเถาว์แล้วทําไมเทวดาว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันมืดดําแล้วจิตที่มันมันทําความสะอาดแล้วเนี่ยสิ่งที่สว่างสวยในที่มืดแล้วมีดวงไฟอยู่ดวงหนึ่งมันจะสวยมากเทวดาเค้า ทำสมาธิแก้กดไว้ชำระด้วยมรรคญาณมันจะทําลายตัวอกสอนนั้นถอนสังโยชน์ที่ผูกพันกันไว้ถอนทุกอย่างออกหมดจนกระดาษนั้นจนใจที่ดํามืดขาวสว่างเนี่ยเทวดาอินทร์พรเขารู้ของเขาเขาเห็นของเขาเป็นประโยชน์ของเขาศาสเป็นศาสดาของโลกเห็นมั้ยเป็นครูบาจารย์ของเราคุณเนี่ยเป็นพระอรหันต์ของ เป็นพลหันของของลูกเป็นมหัน